นโมทัสสะภะคะวะโตอรหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะขอนอบน้อมแด่องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์นั้นอิติปิโสภะคะวาอรหังสัมมาสัมพุทธโธวิชาจรณะสัมปันโนสุขโตโลกวิทู อนุตรโรปุริสธรรม ส, รสารถิศธาเทวะมนุษา์นังพุทโธโภพควาสมเด็จพระผู้มีพระภาคเจ้าพระองค์นั้นเป็นพระอระหันทรัสรู้ดีโดยชอบด้วยพระองค์เองทรงถึงพร้อมด้วยวิชาและจรณะคือความรู้และความประพฤติเสด็จไปดีคือไปที่ใดยังประโยชน์ให้ที่นั้นทรงรู้แจ้งโลกทรงเป็นสรถิ ฝึกคนที่ควรฝึกหาผู้อื่นเปรียบให้ได้ทรงเป็นศาสดาของเทวดาและมนุษย์ทั้งหลายทรงเป็นผู้ตื่นทรงเป็นผู้แจกจ่ายพระธรรมเสด็จธรรมะสร้างสรรค์พุทธศาสนาและสังคมขอเสนอกว่าจะเป็นพระพุทธเจ้า โดยได้นำเรื่องราวบางส่วนของพระพุทธเจ้าสมัยที่พระองค์ยังเป็นพระโพธิสัตว์ตั้งความปรารถนาบำเพ็ญบารมีต่างๆเพื่อน้อมนำให้ท่านดูฟังจะได้ไม่ย่อท้อต่ออุปสรรคเกิดศรัทธามั่นคงในการประกอบการกุศลคุณงามความดีสืบต่อไป จรรมและบรรยายโดยสนทิชัยทวีโชคทรัพย์สิสนห์ม้วนที่สาม เสนเรื่องของจูลโพธิจริยาในอดีตการในพัตตกับนี่แหละพระโพธิสัตว์จตีจารพรหมโลกบังเกิดเป็นบุตรของพราหมณ์มีสมบัติมาตรโกณหนึ่งในกาศิ ข, ขามแห่งหนึ่งนั้นครั้นถึงคราวตั้งชื่อ มานดาบิดาจึงได้ตั้งชื่อว่าโพธิกุมารเมื่อโพธิกุมารเจริญวัยเขาไปสู่เมืองกัจศิดาเรียนศิลปะทุกสาขาเมื่อเขาเรียนจบจึงได้กลับมาทางทางที่เขาก็ไม่ตราถนานักมานดาบิดาจึงได้นำกุลสตรีที่มีชาติเสมอกันมาให้แม้กุลสตรีนั้นก็จุดจิจากรมโลกเหมือนกันมีรูปงดงามเกลียดด้วยเทพอักษร แม้ทั้งสองก็ไม่ปรารถนาเสื่อกันละกันแต่มารดาบิดาก็ทําอาวาหะมงคลและวิวาหะมงคลให้กันละกันทั้งสองไม่เคยมีกิเลสร่วมกันเลยแม้มองดูด้วยอํานาจราคะก็ไม่ได้มีไม่ต้องพูดถึงการอยู่ร่วมเกี่ยวข้องกันทั้งสองมีศีลบริสุทธ์ ด, ด้วยประการชนนี้ ถึงการต่อมาเมื่อมารดาบิดาถึงแก่กรรมพระภูริสัตย์ได้กระทําชาปนกิจมารดาบิดาแล้วจึงได้เรียกภรรยามาแล้วกล่าวว่าดูก่อนนางผู้เจริญแม่นางจงครองทรัพย์แปสิบโกรธเลี้ยงชีพให้สบายเถิดฝ่ายภรรยานั้นก็ได้ถามว่าท่านผู้เจริญก็แล้วท่านเล่าพระภูริสัตย์ตอบว่ารมเราไม่ต้องการทรัพย์เราประสงค์จะบวช นางจึงได้ตอบไปว่าแล้วการบวชไม่สมควรแก่สตรีหรือพระโพธิสัตว์ตอบว่าควรสิมแม่นางนางจึงได้ตอบว่าถ้าเช่นนั้นแม้ฉันก็ไม่ต้องการรับฉันต้องการจะบวชบ้างดังนี้แล้วทั้งสองจึงสระสมบัติทั้งหมดให้เป็นทานเป็นการใหญ่ ออกจากเมืองเข้าสู่ป่าและบวชเลี้ยงตัวด้วยผลพลาาหารที่แสวงหามาได้าอยู่ถึงสิบปีด้วยความสุขในการบวชนั่นเองเที่ยวไปตามชนบทเพื่อต้องการเศกของมีรถเค็นและเปรี้ยวจนมาถึงกลุ่งภาราณสีโดยลำดับนั้นได้อาศัยอยู่ในพระพราชุทยาน อยู่มาวันหนึ่งพระราชาเสด็จไปชมพระราสุทยานได้ทอดพระเนตรเห็นปริพาธิกามีรูปงดงามยิ่งนักหน้าเลื่อมใสยอย่างยิ่งแต่มีพระภัยปฏิพัฒ์ด้วยอำนาจของกิเลสตรัถามพระบพิสัตว์ว่าเออพระมลีคนนี้เป็นอะไรกับท่านเป็นภรยาหรือว่าน้องสาวหรือว่าเป็นภรยาของผู้ใด นามพระมณีนี้ไม่ใช่ภรยาของอาตมาดอกคือพรามณีนี้ถึงจะเป็นภรยาเมื่อตอนอาตมาเป็นครหัสต์ตัวจริงแต่ว่าตั้งแต่บวชแล้วก็ไม่ใช่ภรยาของอาตมาแม้อาตมาก็ไม่ใช่สามีของนางแต่ว่าร่วมประพฤติปฏิบัติธรรมร่วมคําสอนเดียวกันเท่านั้นแม้อาตมาก็เป็นปริภ า, าชกแม้หญิงนี้ก็เป็นปริภาทิกาเพราะฉะนั้น จึงมีธรรมเสมอกันเป็นเพื่อนพรมจันทร์ด้วยกันเท่านั้นฝ่ายพระราชาทรงกำ ห, หนักหนักหน่วงในานางพระมารีนั้นจึงเกิดจิตปฏิพัทธ์รับสั่งให้ราชบุรุษจับตัวจิตชาตินามปริพาธิกานั้นนางปริภาธิกาไม่ประสงค์จะไปราชบรุษ ก่อใช้กำลังบังคับชุดกระชาต่อหน้าพระโพธิสัตว์ก็ในลาดับนั้นความโกรธได้เกิดขึ้นแก่พระโพธิสัตว์พระโพธิสัตว์ระลึกอยู่ในใจว่า โอ้พระมณีพระมณีนี้เป็นผู้มีศีลเป็นภรยาของท่านเมื่อครั้งยังเป็นเคร่อหัดทั้นบวชแล้วถือเป็นเหมือนน้องสาวเกิดร่วมด้วยความเป็นเพื่อนพรมจันทร์พระมณีนี้ถูกราชบุตรุดเข้าไปโดยพระการต่อหน้าท่านความโกรธที่นอนเนื่องอยู่ช้านานได้ขุดขึ้นด้วยมานะของลูกผู้ชายว่าดูกนโพธิพราหมณ์ ท่านเป็นลูกผู้ชายเสียเปล่าเราจะดับความโกรธให้ได้เราจะรื้อถึงศิลวัตรื้อถึงเสียงบา ร, รมีของตนเราขอบริภาคตนเองว่าดูก่อนโพ ธ, ธิรามท่านบำเพ็ญบารมีทั้งปวงก็เพื่อประสงค์จะรู้แจ้งแทงตลอดในพระสัพพัญญตยามิใช่ดัหรือ อะไรกันนี่แม้เพียงศีลท่านก็ยังเผอเรอได้ความเผอเรอนี้ย่อมเป็นดุดความที่โคทั้งหลายประสงค์จะไปยังฝั่งโน้นแห่งมหาสมุทรอันจมลงอยู่ในน้ำกลดฉะนั้นพระราชาหรือใครๆแม้นเอาหอกอันคมกริบแทงงามพระมณีปริภาชิกานั้น หากแม้ตัดเป็นชิ้นๆและเมื่อเป็นอย่างนี้เราก็จะไม่พึงทำลายศีลของตนเพราะอะไรเล่าเพราะเหตุแห่งโพธิญาณเท่านั้นคือการสามารถบรรลุสัมมาสัมโพธิญาณได้นั้นศีลจะต้องไม่ขาดในที่ทั้งปวงเราจะเกลียดนามพรามณีนั้นก็หาไม่ได้นามพรามณีนั้น เป็นที่เกรยียดชังของเราก็หามิได้ไม่ได้เป็นที่รักของเราก็หามิได้โดยประการทั้งปวงคือโดยชาติด้วยโคตโด้วยประกาศของตระกูลโดยมารยาและโดยคุณสมบัติมีบรรพชาเป็นต้นที่เคยสั่งสมมานานไม่มีอะไรเลยไม่มีอะไรที่จะทำให้เราไม่รักนางาพามันีนี้เลย เราจะไม่มีกําลังก็หาไม่ได้กําลังของเราจะไม่มีก็หาไม่ได้แท้จริงมีอยู่มากทีเดียวเรามีกําลังดุดช้างสารสมบูรณ์เรื่อยเร็วแรงปรารถนาอยู่ก็สามารถจะลุกขึ้นอย่างฉับพลันแล้วบทขยีบ้บุตรที่ฉุดนามพรามรีนั้นแล้วจบับบุตรนั้นไปอย่างที่ต้องการที่จะไปก็ได้แต่แต่พระสัพพัญยติยานอาันเป็นที่รักของเรา คือพระสัทพันยุติยานเท่านั้นเป็นเพียรักของเราจริงกว่านามปริกพาชิกานั้นร้อยเท่าพันเท่าแสนเท่าเพราะเหตุนั้นพระฝึกรัสษาศสีลงของเราเพื่อสัพพันยุติยานนี้เถิด พระชาไม่ทรงทําให้ชักช้าในพระราษฎรยานพระองค์รีบเสด็จไปโดยเร็วเท่าที่จะเร็วได้แล้วตรัสให้เรกนามปริภาชิกานั้นส่งมอบยศให้เป็นอันมากนามปริภาธิกานั้ น, น, นกลาว ถ, ถึงโทษของยศคุณของบรรดาชาและความผิดตนและพระโพธิสัตว์ละกองโภคะอันมหาศาลและบวช ด, ด้วยความสังเวชพระชา ไม่สามารถจะทำให้นานั้นสนพระภัยด้วยอุบายต่างๆพระองค์จึงารีว่าปริภาชิกาผู้นี้เป็นผู้มีศีลมีกัลยาณธรรมแม้ปริภาชกนั้นเมื่อปริภาชิกาทุกชุดฆ่านั้นมาก็หาไม่ได้โดยการแสดงอาการผิดปกติแต่อย่างใดเลยไม่คำเดึงถึงอะไรทั้งหมดการกระทำสิ่งผิดปกติ ในผู้มีคุณธรรมทั้งป่านี้ไม่สมควรแก่เราเลยเอาเถอะเราจะพาพระาภิกานนี้ไปยังปุทยานแล้วขอขมาพระอภิกานนี้และพระภาชกชนั้นเมื่อพระราชาตริอย่างนี้แล้ว จึงรับสั่งกับราชบุลลุดว่าพวกเจ้าจงนำปริภาทิกานี้มายังอุทยานพระองค์เองเะด็จไปก่อนทรงเข้าไปหาพระโพธิสัตว์แล้วตรัสถามว่าท่านบรรชิตผูเจริญเมื่อข้าพเจ้านำปริภาทิกานั้นไปพระคุณท่านโกรธหรือไม่เล่าความโกรธเกิดแก่อาตมาแต่ไม่ปล่อยออก อาตมาจะไม่ปล่อยออกตราบเท่าชีวิตอาตมาจะห้ามทันทีเหมือนฝนตกหนักห้ามเสียซึ่งทุรีฉะนั้นดังนี้อะไรเกิดแต่ประคุณท่านประคุณท่านไม่ปล่อยเออพระคุณท่านไม่ปล่อยอะไรตลอดชีวิตพระคุณท่านห้ามความโกรธนั้นได้อย่างไรดุดฝนตกหนักห้ามทุลีฉะนั้นดังนี้แล เมื่อความโกรธใดเกิดขึ้นย่อมไม่เห็นประโยชน์เมื่อความโกรธไม่เกิดย่อมเห็นเป็นการดีความโกรธนั้นเป็นโคจรอของคนไร้ปัญญาเกิดขึ้นแค่อาตมาแต่อาตมาไม่ปล่อยออกเราอมิตรผู้แสวงหาทุกย่อมยินดีด้วยความโกรธใดที่เกิดแล้วความโกรธนั้นเป็นโคจรอของคนไร้ปัญญาเกิดขึ้นแล้วแค่อาตมาอาตมาไม่ปล่อยออกอันหนึ่ง เมื่อความโกรธใดเกิดขึ้นบุคคลย่อมไม่รู้สึกถึงประโยชน์ตนความโกรธนั้นเป็นโคจรอของคนไร้ปัญญาเกิดขึ้นแกอ่อาตมาอาตมาไม่ปล่อยออกบุคคลรู้ความโกรธใดครอบงำย่อมละกุศลกรรมกำจัดประโยชน์แม้ในหมูนออกไปเสีย มหาบาพิษความโกรธนั้นเป็นเสนาของความน่ากลัวมีกำลังย่ำยีสัตว์อาจจะมาไม่ปล่อยออกไปเมื่อไม้ถูกสีไฟย่อมเกิดไฟย่อมเผาไม้นั้นเพราะไฟเกิดแต่ไม้เมื่อคนปัญญาอ่อนโง่เซอความโกรธย่อมเกิดเพราะความสุนเฉียวคนผ่านแง่นั้นก็ย่อมถูกความโกรธนั้นเผาผลาญความโกรธย่อมเจริญแก่ผู้ใด เหมือนไฟที่ไหม้หญ้าและไม้ยศของผู้นั้นย่อมเสีอมเหมือนดวงจันทร์ในวันข้างแรงฉะนั้นความโกรธของผู้ใดสงบลงได้เหมือนไฟไม่มีเชื้อยศของผู้นั้นย่อมแตงเปลี่ยมเหมือนดวงจันทร์ในวันข้างขึ้นนี้แหละฝ่าพระราชาทานทรงสดับธรรมค ข, ขาของพระมหาสัตว์แล้ว ทรงขอขมาแก่พระโพธิสัตว์แม่นามปริภาธิกาผู้มาจากพระราชวังแล้วตรัสว่าขอพระกุลเจ้าทั้งสองเสวยสุขในการบรรพชาอยู่ในอุทยานนิเถิดข้าพเจ้าจะทาการรักษาปกป้องคุ้มครองอันเป็นธรรมแก่พระกุลเจ้าทั้งสองดังนี้แลพระราชาราชการแลเสร็กลับปริภาชกและปริภาธิกาทั้งสอง อาศัยอยู่ในพระพราชุทยา น, นั้นเองต่อมานามปริภาทิกาได้ถึงแก่กรรมพระโพธิสัตว์เข้าไปยังป่าหิมพานยังฌานและอภิญญาให้เกิดเมื่อสิ้นอายุ ก, ก็ได้ไปสู่พรหมโลกนามปริภาทิกาในครั้งนั้น ได้เป็นมารดาของพระราหุลในทางนี้ระชาคือพระอานนเถระส่วนโพธิปริคาชก ค, คือพระโลกนาถ การเพ็บารมีของพระพุทธองค์ที่ได้นำเสนอมาทั้งหมดนี้เป็นเพียงบางส่วนบางตอนของการบำเพนบารมีของพระพุทธองค์สมัยที่ยังเป็นพระโพธิสัตว์อยู่บัดนี้จะขอนำเสนอนามพระไทยและอุปนิสัยของพระโพธิสัตว์ดังต่อไปนี้ ที่สัตว์เป็นผู้เห็นโทษในความตรณีอันเป็นปฏิปักษ์ต่อการให้ทานนั้นย่อมบำเพ็ญทานบารมีให้บริบูรณ์โดยชอบเพราะเป็นผู้มีอัธยาศัยในศีลจึงเป็นผู้เห็นโทษในความเป็นผู้ทุศีลบำเพ็ญศีลบารมีให้บริบูรณ์โดยชอบเพราะเป็นผู้มีอัธยาศัยในเนคขมมะจึงเห็นโทษในการและในการคลองเรือนเพราะเป็นผู้มีอัธยาศัยในความรู้ตามความเป็นจริง จึงเห็นโทษในความไม่รู้และความสงสัยเพราะเป็นผู้มีอัธยาศัยในความเพียรจึงเห็นโทษในความเกียดฉานเพราะเป็นผู้มีอัธยาศัยในความอดทนจึงเห็นโทษในความไม่อดทนเพราะเป็นผู้มีอัธยาศัยในสัจจะจึงเห็นโทษในการพูดผิดเพราะเป็นผู้มีอัธยาศัยในความตั้งใจมั่นจึงเห็นโทษในความไม่ตั้งใจมั่นเพราะเป็นผู้มีอัธยาศัยเมตตา จึงเห็นโทษในพยาบาทเพราะเป็นผู้มีอัธยาศัยในการวางเฉยจึงเห็นโทษในโลกธรรมบำเพ็ญบารมีเน่คัมมะบารมีเป็นต้นให้บริบูรณ์โดยชอบความเป็นผู้มีอัธยาศัยในทานเป็นต้นเป็นปัจจัยแห่งทานบารมีเป็นต้นเพราะเป็นเหตุให้สำเร็จนั้น พึงเข้าไปตั้งความน้อมในการบริจาคว่าผู้นี้ได้ยกย่องเราในกรรมอันยิ่งเพราะฉะนั้นเราควรทําความยกย่องนั้นให้เป็นความจริงแม้เขาไม่ขอเราก็จะให้เพราะชีวิตของเขาแจ้งชัดอยู่แล้วไม่ต้องพูดถึงการขอเลยเมื่อยาจกไม่มีทามบารมีของเราจะพึงเต็มได้อย่างไรเราควรยึดถือทั้งหมดไว้ เพื่อเป็นประโยชน์แก่ยาจกเท่านั้นเมื่อยาจกทั้งหลายไม่ขอเราพึงถือเอาของของเราไปให้เองเมื่อทรัพย์มียาจกมีการไม่บริจาคเป็นการหลอกลวงของเราอย่างใหญ่หลวงนักเราพึงสละอวัยวะหรือชีวิตของตนแก่ยาจกทั้งหลายได้อย่างไร ที่ว่าผู้ขอเป็นคนที่รักพึงให้เกิดโสมนัสว่าผู้เป็นที่รักขอเราแล้วแม้ผู้ขอเป็นคนเฉยเฉยพึงให้เกิดความโสมนัสว่ายาจกนี้ขอเราย่อมเป็นมิตรด้วยการบริจาคนี้เป็นแน่แท้แม้ผู้ให้ก็เป็นที่รักของยาจกทั้งหลายแม้บุคคลผู้มีเวรมาขอก็พึงให้เกิดโสมนัสเป็นพิเศษว่ากัดแบบนี้ันศัตรูมาขอเราศัตรูนี้ เมื่อขอเราเป็นผู้มีเวรย่อมเป็นมิตรเป็นที่รัตด้วยการประจักษ์นี้เป็นแน่แท้พึงยังความตารุนามีเมตตาเป็นเรื่องหน้าให้ปรากฏและพึงให้แม้ในบุคคลเป็นกลางและบุคคลผู้มีเวร ยังไม่ติดเตียนตนวินยูชนไม่กล่าวโทษผู้อื่นไผ่เพราะอาญาและทุกติย่อมไม่มีเกิดวินยูชนทั้งหลายสรรเสริญว่าเป็นบุคคลผู้มีศีลมีธรรมงามทหนึ่งความเดือดร้อนใดย่อมเกิดขึ้นแก่ผู้ทุศีนว่าเราได้ทําความชั่วแล้วหนอเราได้ทํำคำหยาบช้าทาลนแล้วความเดือดร้อนนั้นย่อมไม่มีแก่ผู้มีศีลเลยทหนึ่ง ธรรมดาศีลนี้ชื่อว่าเป็นฐานแห่งความสวัสดีเพราะตั้งใจในความไม่ประมาทเพราะยังประโยชน์อันยิ่งใหญ่ให้สำเร็จด้วยหลักการคุ้มครองมีความที่นาถแห่งโภคาเป็นต้นและเพราะความเป็นมงคลคนมีศีลแม้มีชาติประภูนร่มก็เป็นภูชนียาบุคคลของกษัตริย์มหาสารเป็นต้น ชะละของสัตว์ทั้งหลายในหมู่สัตว์นั้นเพราะกล่าวได้ว่าชีวิตที่มีศีลแม้เพียงวันเดียวก็ประเสริฐกว่าชีวิตที่ยั่งยืนอยาประมาณถึง100ปีและเมื่อยังมีชีวิตศีลก็ประเสริฐกว่าชีวิตเพราะว่าร่างกายเมื่อตายไปแล้วก็ไปฝังส่วนศีล น, นั้นย่อมอยู่ตลอดไปอหนึ่ง ศีนเท่านั้นประเสริฐกว่ากองทับช้างมา้ารถและทหารราบและกว่าการประกอบด้วยความสวัสดีด้วยมนต์และยาวิเศษโดยการรักษาตนที่รักษาได้ยากเพราะอาศัยตนไม่อาศัยผู้อื่นดังนั้นจึงเป็นวิสัยที่ยิ่งใหญ่ตังหนึ่งพึงมนติการถึงปัญญาคุณว่า ทำทั้งหลายมีฐานเป็นต้นเว้นจากปัญญาย่อมประสุดไม่ได้ย่อมไม่มีความสามารถขวนขวายตามที่เป็นของตนได้เหมือนอย่างสรีระยนเว้นชีวิตเสียก็ย่อมไม่งามประหนึ่งย่อมไม่สามารถปฏิบัติในกรรยาทั้งหลายของตนได้และอินทรีย์ทั้งหลายมีจกักขูปเป็นต้นเว้นวิญญาณเสียแล้วก็ไม่พอที่จะทำกิจในวิสัยของตนได้ ผู้มีปัญญาเทานั้นพิจารณาเห็นโทษในการครองเรือนในกรรมะคุณและในสงสารและอ น, นิสงในการบรรพชาในฌานสมาบัติและในนิพพานดยดีครั้งบวชแล้วก็ยังฌานสมาบัติให้เกิดมุ่งหน้าต่อ น, นิพพานและยังคนอื่นให้ตั้งอยู่ในฌานสมาบัตินั้นไม่ยังความเพียรที่ตรศาศจากปัญญาเพียงตั้งความปรารถนาไว้ให้สำเร็จได้เพราะ เริ่มไม่ดีการไม่เริ่มยังประเสริฐกว่าการเริ่มไม่ดีผู้มีปัญญาเท่านั้นเป็นผู้มีความดกดดันต่อความเสียหายของผู้อื่นเป็นต้นผู้มีปัญญาสามไม่เป็นผู้มีความดกดดันความเสียหายที่ผู้อื่นนำไปสู่แต่ผู้ป ร, รธธาศจากปัญญาย่อมเพิ่มพูนความเป็นปฏิบัติของความอดทนแต่ความเสียหายเหล่านั้นของผู้มีปัญญานั้นย่อมเป็นไปเพื่อความมั่นคงแห่งขันติ ทำตนด้วยกําลังปัญญาเป็นผู้มีความตั้งใจสมาานไม่หวั่นไหวในบารมทีทั้งปวงด้วยการถึงพร้อมด้วยปัญญาผู้มีปัญญาเท่านั้นไม่ทําการแบ่งแยกคนที่รักคนกลางและคนที่เป็นศัตรูเป็นผู้มีความฉลาดในการนําประโยชน์เข้าไปในที่ทั้งปวงอันหนึ่งเป็นผู้มีความเป็นกลางเพราะไม่มีความผิดปกติในประสบโลกธรรม มีลาบเสื่อมลาบเป็นต้นด้วยอํานาจแห่งปัญญาปัญญาเท่านั้นเป็นเหตุแห่งความประสทธิ์ของบารมีทั้งปวงด้วยประการละนี้เพราะเหตุนั้นควรพิจารณาคุณของปัญญาอีกอย่างหนึ่งเป็นปัญญาเสียแล้วทัศนสมบัติย่อมมีไม่ได้เว้นทิฏฐิสัมปทาโดยระหว่างศีสัมปทาก็มีไม่ได้ผู้ปราศจากศีลสัมปทาและทิฏฐิสัมปทาสมาธิสัมปทา ก็มีไม่ได้นหนึ่งผู้มีจิตไม่ตั้งมั่นไม่สามารถเพียรประโยชน์ของตนให้สําเร็จได้ไม่ต้องพูดถึงประโยชน์ของผู้อื่นอันถึงขั้นปุกลิดกันนั้นเพราะฉะนั้นพระโพธิสัตว์ผู้ปฏิบัติเพื่อประโยชน์ของผู้อื่นควรสอนตนว่าท่านควรทําความเพียรในความเจริญด้วยปัญญาโดยเคารพไม่ใช่ดอกหรือ ทั้งหลายเหล่านี้เดือดร้อนในโลกนี้เพราะไม่มีขันติสมบัติเมื่อไม่มีผู้ทําความเสียหายขันติสัมปทาของเราจะเกิดขึ้นได้อย่างไรแม้หากว่าบัดนี้ผู้นี้ไม่ทําความเสียหายแก่เราผู้นั้นก็ได้ชื่อว่าได้ทําอุปการรัแก่เรามาก่อนหรือเป็นผู้มีขันติเป็นมิมิตทั้งทั้งหลายทั้งหมดเหล่านี้เป็นเช่นเดียวกับบุตรของเรา ใครจะโกรธในความผิดที่บุตรทําได้ในสัตว์ผู้ตกอยู่ในอำนาจของความโกรธนั้นจะได้อะไรด้วยความช่วยเหลือสัตว์ทั้งหมดเหล่านี้พระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงคุ้มครองดุจบุตรที่เกิดแต่อกฉนั้นเพราะฉะนั้นเราไม่ควรทําใจโกรธในสัตว์นั้นเมื่อผู้ทําความผิด มีคุณแก่เราเราไม่ควรทำความโกรธในผู้มีคุณในเมื่อเป็นผู้ไม่มีคุณแล้วทำความผิดแก่เราเราควรแสดงความสงสารเป็นพิเศษยศอันเป็นคุณของเราย่อมเสื่อมเพราะความโกรธนั้นันหนึ่งพึงพิจารณาถึงความพร้อมแห่งศักดิจบารมีโดยในว่า เพราะเว้นจากสัจจะเสียแล้วศีง เ, เป็นต้นก็นกนมีไม่ได้การกล้าล่วงสัตธรรมเพราะเป็นผู้ไม่มีสัจจะเป็นคนเชื่อถือไม่ได้ผู้มีสัจจะสมบูรณ์เป็นผู้ตั้งมั่นในคุณธรรมทั้งปวงเพราะสามารถที่จะบำเพ็ญโพธิสมภาทั้งปวงให้ประสุทธิ์ได้ อันหนึงพึงพิจารณาถึงคุณของเมตตาดังนี้ว่าสัตว์เหล่านี้เป็นบุญเกษตยอย่างยิ่งเป็นบอ่อเกิดแห่งกุศลอย่างยอดเยี่ยมเป็นที่ตั้งแห่งความเคารพอย่างสูงของเราเพราะเป็นเหตุให้สําเร็จด้วยความเจริญด้วยพุทธคุณทั้งปวงพึงเพิ่มพูนเมตตาในสมรสัตว์ทั้งหลายความเป็นผู้ใคร่เพื่อจะกําจัดสิ่งที่ไม่มีประโยชน์และทุกข์ของสัตว์เหล่านั้นมีกําลังมีรากมั่นคง ย่อมเกิดแก่ผู้ยินดีนำประโยชน์สุขเข้าไปให้แก่สัตว์ทั้งหลายด้วยใจที่ไม่มีขอบเขตนั้นอันหนึ่งพึงพิจารณาถึงอุเบกขาปรมีโดยในว่าความเสียหายที่สัตว์ทั้งหลายทำเพราะไม่มีอุเบกขานั้นทาให้เกิดความพิการทางจิตเมื่อจิตพิการก็ไม่สามารถสะสมบรมี มีทานบา ร, รมีเป็นต้นเมื่อจิตยังผูกพันุ์อยู่ด้วยเมตตาเว้นอุเบกขาเสียแล้วการสั่งสมบา ร, รมีก็มีไม่ได้ผู้ไม่มีอุเบกขาไม่สามารถจะน้อมบุญสมภารและประโยชน์เกื้อกูลอันเป็นผลของบุญและสมภาร น, นั้นเข้าไปในการสะสมทัางหลายได้เพราะไม่มีอุเบกขาไม่ทําการจำแนกธยธรรมและปฏิคาหกแล้วไม่สามารถบริจาคได้อันผู้ปราศจากอุเบกขา ไม่มนักสิการถึงอันตรายแห่งปัจจัยเป็นเครื่องนำมาซึ่งชีวิตและชีวิตและไม่สามารถทำศีลให้ประจุทธิ์ได้การท า, ทาความอนุเคราะห์แก่สัตว์ทั้งหลายโดยส่วนมากพื่อการเสียสละเครื่องอุปกรณ์ความสุขร่างกายและชีวิตด้วยการกำจัดภัยและการชี้ธรรมเป็นข้อปฏิบัติของธานบา ร, รมี ในทานบารมีนั้นมีทานสามอย่างโดยเป็นวัตถุที่ควรให้คืออามิสทานอภัยทานธรรมทานก็ในทานเหล่านั้นวัตถุที่พระุทธิสัตว์ควรให้มีสองอย่างคือวัตถุภายในและวัตถุภายนอกวัตถุภายนอกนั้นมีสิบอย่างคือข้าวน้ำผ้ายานดอกไม้ของหอมเครื่องรูปไล้ที่นอนที่อาศัย และพระที่ก็ในวัตถุเหล่านั้นพระมหาบรุษเมื่อจะให้วัตถุภายนอกรู้ด้วยตนเองว่าจะให้วัตถุแก่ผู้มีความต้องการแม้เขาไม่ขอก็ให้ไม่ต้องพูดถึงขอหล่ะมีของให้จึงให้ไม่มีของให้ย่อมไม่ให้ให้สิ่งที่ปรารถนาเมื่อมีทายธรรมย่อมไม่ให้สิ่งที่ไม่ปรารถนาอาศัยอุปการะตอบย่อมให้ เมื่อไม่มีทายธรรมย่อมแรงสิ่งที่ปรารถนาให้สมควรแก่การแกจกจ่ายอันหนึ่งไม่ให้สตรายาพิษและของเมาเป็นต้นอันจะนำมาซึ่งความเบียดเบียนผู้อื่นแม้ของเล่นอันประกอบด้วยความพิณาและนำมาสึ่งความประมาทก็ไม่ให้อันหนึ่งไม่ให้ของของที่ไม่เป็นที่สบายมีน้ําดื่มและบริโภคเป็นต้นหรือของที่เว้นจากการกําหนดแก่ผู้ขอที่จะเป็นไข่ แต่ให้ของที่สบายเหล่านั้นอันสมควรแก่ประมาณอันหนึ่งครหัสขอก็ให้ของสมควรแก่ครหัสถ์บรรพชิตขอก็ให้ของที่สมควรแก่รรรพชิตให้โดยที่ไม่ให้เกิดความเบียดเบียนแก่ใครๆในบรรดาบุคคลเหล่านี้คือมารดาญาติสายโลหิตมิตรอมหมายบุตรภรรยาทาตและกรรมกร อันหนึ่งรู้ทายธรรมดีมากไม่ให้ของเศร้าหมองอันหนึ่งไม่ให้โดยอาศัยลาศการะความสรนเสริญไม่ให้อาศัยการตอบแทนไม่ให้เพื่อความหวังผลเว้นแต่สัมมาสัมโพธิญาเท่านั้นไม่ให้รังเกยียจผู้ขอหรือทายธรรมอันหนึ่งไม่ให้ทานโดยทอดทิ้งยาจบผู้ไม่สํารวมแมแ้ผู้ด่าแม้ผู้โกรธมีจิตที่เลื่อมใส ให้ได้ความอนุเคราะห์ด้วยความเคารพอย่างเดียวไม่ให้เพราะเชื่อมงคลตื่นข่าวให้เพราะเชื่อในเรื่องของกรรมและผลของกรรมเท่านั้นหนึ่งไม่ประสงค์จะลวงหรือประสงค์จะทำร้ายผู้อื่นจากการให้ หรือทำให้ผู้อื่นต้องเศร้าหมองของการให้ของตนไม่ทำการให้โดยใช้วาจาหยาบห น, น้า new คิ้วขมวดแต่ให้ด้วยการพูดที่น่ารักพูดก่อนพูดพอประมาณหนึ่งเมื่อให้รู้อยู่ว่าย่อมจะไม่ให้แก่ยักษ์รากสดรีศาจเป็นต้นหรือแม่แก่มรุดผู้ที่ทำการหยาบช้าหรือแม้แต่ทำความพิน่าแก่โลก ส่วนการให้ทานภายในนั้นพระมาหาบุรุษนั้นมีจิตปราศจากจากอามิตรเพราะเหตุแห่งสัมมาสัมโพธิญาณปรัธนาประโยชน์สุขอันยอดเยี่ยมแก่สัตว์ทั้งหลายประสงจากควาเพนฐานบา ร, รมีของตนซึ่งฉลาดตนเพื่อคนอื่นย่อมถึงความเป็นผู้เชื่อฟังความเป็นผู้ต้องทำตามความประสงค์อย่างไม่หวั่นไหวไม่ท้อแท้มอบอวัยวะน้อยใหญ่ มีมือเท้าและในตาเป็นต้นให้แก่ผู้ที่ต้องการอวัยวะนั้นๆอย่างไม่ข้องใจไม่ถึงกับความชะยิ้นหน้าในการมอบให้นั้นเหมือนในวัตถุภายนอกเป็นความจริงอย่างนั้นพระมาหาบุษอยังความปรารถนาของยาจกเหล่านั้นให้บริบูรณ์ด้วยการบริโภคตามสบายหรือด้วยความชำนาญของตนจึงฉลัวัตถุภายนอกด้วยสองอาการอย่างนี้ด้วยหวังว่า เราให้ทานหมดสิ้นแล้วจะบรรลุสัมมาสัมโพธิญาณด้วยการเสียสละอย่างนี้วัตถุภายในที่ให้นั้นย่อมเป็นไปเพื่อประโยชน์แก่ยาจกโดยส่วนเดียวเท่านั้นอันหนึ่งพระมหาบุุษ เมื่อรู้ย่อมไม่ให้อัตภาพหรืออวัยวะน้อยใหญ่ของตนแก่มารหรือเทวดาผู้เนื่องด้วยหมู่มารซึ่งเป็นผู้ประสงค์จะเบียดเบียนด้วยคิดว่าความฉิบหายอย่าได้มีแก่มารเหล่านั้นเลยหนึ่งพระมหาบรุษเมื่อให้อ่านวิษทานแก่สัตว์ทั้งหลายย่อมให้ทานข้าว ด้วยความตั้งใจว่าเราเพึงยังสมบัติมีอายุวันณนะสุขะพละอธิพานเป็นต้นและสมบัติคือผลเลศิศน่าเรื่องรมให้สําเร็จแก่สัตว์ทั้งหลายด้วยฐานนี้เป็นให้น้ําเพื่อระ ง, งับความกระหายคือการกิเลส ข, ของสัตว์ทั้งหลายให้ผ้าเพื่อให้ผิวพันงามและเพื่อให้สําเร็จเครื่องประดับคือเฮีริโอตปะนั้นให้ยาน เพื่อให้สำเร็จอิวยที่วิธีคือการแสดงฤทธิ์ได้และฤิพผ่านสุขให้ของหอมเพื่อให้สำเร็จด้วยความหอมคือศีลให้ดอกไม้และเครื่องรูปไหล์เพื่อให้สำเร็จความงามด้วยพุทธคุณให้อาสนะเพื่อให้สำเร็จอสนะนักโพธิมณฑลให้ที่นอนเพื่อให้สำเร็จสถาคตสายญาติคือนอนแบบพระสถาคตให้ที่พักเพื่อให้สำเร็จความเป็นสรระ ให้พระพิภเพื่อให้ได้ปัญจจสุขให้รูปเป็นฐานเพื่อให้สำเร็จพระสมีออจากกายวาหนึ่งให้เสียงเป็นฐานเพื่อให้สำเร็จเสียงหลุดเสียงพรมให้รสเป็นฐานเพื่อเป็นที่รักของโลกทั้งปวงให้โพธิภะเป็นฐานเพื่อความเป็นพุทธสุคุมานคือความละเอียดอ่อนของพระพุทธเจ้าให้เกศสัตเป็นฐานเพื่อความไม่แก่ไม่ตาย ให้ความเป็นไทยแต่าธาตุทั้งหลายเพื่อความสดเปลืองความเป็นาธาตุคือกิเลสให้ความยินดีในของเล่นที่ไม่มีโทษเป็นทานเพื่อความยินดีในพระสัตธรรมให้บุตรเป็นทานเพื่อนําสัตว์ทั้งหมดออกไปจากความเป็นบุตรของตนในชาติเป็นอรรยะให้ภรรยาเป็นทานเพื่อถึงความเป็นใหญ่แห่งโลกทั้งสิน้น ให้ทองแก้วมณีแก้มุกดาแก้ประทานเป็นต้นเป็นทานเพื่อความสมบูรณ์ด้วยลักษณะงามให้เครื่องประดับนานาชนิดเป็นทานเพื่อความสมบูรณ์แห่งอนุพยัญชนะให้ครางสมบัติเป็นทานเพื่อบรรลุพระศิธรให้ราชสมบัติเป็นทานเพื่อความเป็นพระธรรมราชาให้สวนสักป่าเป็นทานเพื่อความสมบูรณ์แห่งฌานเป็นต้นให้ท้าเป็นทาน เพื่อก้าวไปสู่รัศมีโพธิมณฑลด้วยเท้ามีรอยจักให้มือเป็นทานเพื่อให้มือคือพระสัทธรรมแก่สัตว์ทั้งหลายเพื่อถอนออกจากโอคะสีให้หูและจมูกเป็นทานเพื่อได้อินซีมีสัตตินินรีเป็นต้นให้จักสุเป็นทานเพื่อให้ได้สมันตาจักสุคือจักสุโดยรอบให้เนื้อและเลือดเป็นทานด้วยหวังว่า แจะนำประโยชน์สุขมาให้แก่สัมพัสัตต์ตลอดการทั้งปวงในการเห็นการฟังการะระลึกนึกถึงการบำเรอเป็นต้นและกายของเราพึงเป็นกายอันโลกทั้งปวงพึงเข้าไปอาศัยให้อวัยวะสูงที่สุดเป็นฐานด้วยหวังว่าเราจะพึงเป็นผู้ที่สูงที่สุดในโลกทั้งปวง มาปรุษเมื่อให้อย่างนี้ไม่ให้เพื่อความสแสวงหาทางผิดไม่ให้เพื่อเบียดเบียนผู้อื่นไม่ให้เพราะความกรัวเพราะละอายเพราะเพืองทักษินยาบุคคลเมื่อมีของประณีดไม่ให้ของเศร้าหมองไม่ให้ด้วยการยกตนด้วยการข่มผู้อื่นด้วยหวังผลด้วยความเกลียดยาจกด้วยไม่เคารพแต่ที่แท้ให้ด้วยความเคารพ ให้ด้วยมือของตนให้ตามการทำความเคารพแล้วให้ให้โดยการไม่แบ่งออกมีใจยินดีในสามการครั้นให้แล้วก็ไม่เหลือร้อนใจในภายหลังไม่ยกย่องและดูหมิ่นปฏิคาหกเต่ง่อยคำน่ารักพูดรู้คำผู้เข้าไปขอก็ให้พร้อมทั้งบริวารเพราะเมื่อให้ข้าวเป็นทานย่อมให้พร้อมด้วยผ้าเป็นต้นด้วยตั้งใจว่า เราจะทําสิ่ง น, นั้นให้เป็นบริวารแล้วจึงให้ตัวหนึ่งมหาบุตรเมื่อให้รูปเป็นฐานกระทําและอารมณ์นอกนั้นให้เป็นบริวารของรูปแล้วให้ในบรรดาดอกไม้ผ้าเป็นต้นมีสีเขียวสีเหลืองสีแดงและสีขาวเราจะให้รูปเป็นทาน รูปเป็นทานเป็นของเราเราทำพร้อมด้วยวัตถุยังทานให้ตั้งอยู่ในทัินายกบุคคลเช่นนั้นชื่อว่าให้รูปเป็นทานทหนึ่งพึงให้เสียงเป็นทานก็คือการให้เสียงกลองเป็นต้นในการใดทำเองหรือใช้ให้ทำเพลงบูชาพระรัตนไตรชื่อดนตรีอย่างได้อย่างหนึ่งมีกรองและตัดโทนเป็นต้นด้วยคิดว่า เราจะให้เสียงเป็นทานตั้งไว้เองและให้ผู้อื่นตั้งกรองเป็นต้นด้วยตั้งใจว่าเสียงเป็นทานของเราให้ยาเสียงมีน้ำมันและน้ำพึ่งเป็นต้นแก่พระธรรมกถกทั้งหลายประกาศฟังทำสวดสชรพัญยะกล่าวธรรมกถาทำเองและให้ผู้อื่นทำในการนั้นชื่อว่าให้เสียงเป็นทานหนึ่งมาหุ ได้วัตถุมีกลิ่นหอมน่านดีอย่างใดอย่างหนึ่งโดยคิดว่าเราจะให้กลิ่นเป็นทานกลิ่นเป็นทานของเราทำเองและให้ผู้อื่นทำการบูชาพระรัตนตรัยเป็นต้นมหาบุตรบริจาควัตถุมีกลิ่นเช่นปิศนาและจังเป็นต้นเพื่อบูชากลิ่นนี้ชื่อว่าให้กลิ่นเป็นทาน อันหนึ่งมหาปรุษได้วัตถุมีรถน่ายินดีอย่างใดอย่างหนึ่งซึ่งมีรถจากราบเป็นต้นแล้วตั้งใจว่ารถเป็นทานของเราแล้วแล้วให้แก่ทักชินายบุคคลหรือสละข้าเปลือกและโคเป็นต้นอันมีวัตถุเป็นรถนี้ชื่อว่าให้รถเป็นทานอันหนึ่งการให้โภสภาพเป็นทานคุณทราบดังนี้การให้เสียงและตัง หรือเครื่องราชและเครื่องครุมเป็นต้นมาบลุษแด้วัตถุเป็นโผลพระไม่มีโทษน่ายินดีมีสัมผัสสบายมีเตียงตังฟูกหมอนเป็นต้นหรือมีผ้านุ่งผ้าห่มเป็นต้นแล้วคิดอยู่ในใจว่าเราจะให้ผลพระเป็นทานผลพระเป็นทานของเราให้แล้วแก่ท่าทีนายบุคคลได้วัตถุเป็นผลพระตามที่กล่าวแล้วสละออกดังนี้ชื่อว่า ให้ผลผลเป็นทานส่วนการตีกรองประกาศไม่ให้มีการฆ่าสัตว์ทำเองและให้ผู้อื่นทำอย่างอื่นและกรรมเห็นปานนี้เพื่อป้องกันชีวิตสัตว์ทั้งหลายนี้ชื่อว่าให้ธรรมะเป็นทาน มหาบรุษนัดเว้นจากอกุศลกรรมบทอันเป็นทางสู่อบายและวัตทุกขแล้วตั้งมั่นอยู่ใ น, นกุศลกรรมบทอันเป็นทางแห่งสวรรค์และนิพพานความปรารถนาอันเข้าไปประกอบประโยชน์สุขแก่สัตว์ทั้งหลายตามปรารถนาเพราะเป็นผู้มีอัธยาศัยบริรสุทธิ์ย่อมสำเร็จอย่างเร็วพันระมีย่อมสมบูรณ์มหาบรุษย่อมให้อภัยทานแก่สรรพสัตว์โดยไม่ประทฤตเบียดเบียน ยังแม่ตาภาวนาให้สมบูรณ์โดยไม่ยากย่อมบรรลุอนิสง์แม่ตา11ประการมีอ า, าพาธน้อยไม่เจ็บป่วยมีอายุยืนมีสุขมากย่อมถึงลักษณะวิเศษและปัดวาสนาอันเป็นโทษได้เพราะไม่รักทรัพย์จึงได้โภคาสมบัติอันไม่ทั่วไปด้วยโจรเป็นต้น คนอื่นแม่รังเกียจเป็นที่รักเป็นที่ชอบใจน่าคบหามีใจไม่คล่องวิภาวะสมบัติชอบบริจาคและตัดวาสนานเป็นโลภะได้เพราะไม่ประพฤติผิดขรมจันทร์ซึ่งเป็นผู้ไม่โลเลมีกายใจสงบเป็นที่รักเป็นที่ชอบใจไม่เป็นที่รังเกียจของสัตว์ทั้งหลายทิฏิศักด์อันงดงามของเขาย่อมฟุ้งไป ไม่มีจิตใจคล่องในมาตุคาเทั้งหลายมีอธัธยาศัยไม่โลภมากและเต็มไปด้วยเนคขมมะย่อมได้ลักษณะวิเศษและตัดวาสนาอันเป็นโลภได้เพราะไม่พูดเท็จจึงเป็นประมาณของสัตว์ทั้งหลายเป็นที่เชื่อถือได้ไว้วางใจได้มีถ้อยคำควรนับถือเป็นที่รักเป็นที่ชอบใจของทวยเทพมีปากหอมรักษากายสม า, าร วจีสมาจาร์ย่อมได้ลักษณะวิเศษและตัดวาสนาอันเป็นกิเลสได้เพราะไม่พูดส่อเสียดจึงมีกายไม่แตกแยกมีบริวารไม่แตกแยกแม้ด้วยความพยายามของคนอื่นมีเสียงไม่แตกแยกในพระสัทธรรมมีมิตรมั่นคงเป็นที่รักของสัตว์ทั้งหลายโดยส่วนเดียวจุดสะสมไว้ในระหว่างพบและไม่เศร้าหมอง เพราะไม่พูดคำหยาบจึงเป็นที่รักเป็นที่ชอบใจของสัตว์ทั้งหลายมีปกติอยู่เป็นสุขพูดเพราะน่ายกย่องเสียงของเขาประกอบด้วยองค์แปดย่อมเกิดขึ้นแล้วแค่ที่เพราะไม่พูดเพอเจอจึงเป็นที่รักเป็นที่ชอบใจ น่าเคารพน่ายกย่องของสัตว์ทั้งหลายมีถ้อยคำควรเชื่อถือได้พูดพอประมาณมีศักและอนุภาพมากฉลาดในการแก้ปัญหาด้วยปฏิภาณอันฉับพันสามารถในการแก้ปัญหามากมายของสัตว์ทั้งหลายหลายภาษาด้วยคำคำเดียวเท่านั้นในกุตภูมิเพราะเป็นผู้ไม่โลภจึงมีลาภที่ต้องการได้ขอชอบใจในโภคะมากมายเป็นที่ยอมรับของกษัตริย์มหาศารเป็นต้น ฆ่าสืบครอบงำไม่ได้ไม่ถึงความเป็นผู้มีอินทรีย์พิคนพิการและเป็นบุคคลหาผู้เปรียบไม่ได้เพราะไม่พยาบาทจึงเป็นผู้ดูน่ารักเป็นที่ยกย่องของสัตว์ทั้งหลายให้เลื่อมใสโดยไม่ยากเพราะเป็นผู้พอใจยิ่งในประโยชน์ของผู้อื่นอันหนึ่งเป็นผู้มีสภาวะไม่เศร้าหมองอยู่ด้วยเมตตาเป็นผู้มีศักดิ์มีอนุภาพมาก และเพราะเป็นผู้ไม่มีความเห็นผิดจึงย่อมได้สหายดีแม้จะถึงการตัดศีษะ ก, ก็ไม่ทำกรรมชั่วเป็นผู้ไม่เชื่อมุงคลตื่นข่าวเพราะเห็นว่าสัตว์ที่หลามีกรรมเป็นของของตนศรัทธาของเราเป็นรากมั่นตั้งมั่นแล้วในพระสัทธธรรมเชื่อการตรัสรู้ของพระสถาคตไม่ยินดีในลัทธิและศาสนาอื่นพระโพธิสัตว์ กระทำอภิวาทต้ตอนรับอันชรลีกรรมสามีจิกรรมแก่กัลายาณมิตรผู้ดำรงอยู่ในฐานะความเป็นครูและทำการบำรุงกัลายาณมิตรเหล่านั้นตลอดเวลาพลณนาคุณของผู้มีคุณธรรมอดทนจากการทำความเสียหายของผู้อื่นระลึกนึกถึงผู้ทำการอุปการะอนุโมทนาบุญน้อมบุญของตนเพื่อสัมมาสัมโพธิญาณเท่านั้น มหาบุษเป็นผู้ปกปิดความดีเปิดเผยความชั่วของตนมักน้อยสันโดษไม่คลุกคลีทนต่อทุกข์ไม่วาสรุ่งไม่คุ้งร้านไม่เย่อหยิงไม่หวั่นไหวไม่ป่าพร้ายไม่แสหาเรื่องมีอินทรียสงบใจสงบปราศจากมิจฉาชีพมีการหลอกลวงเป็นต้นถึงพร้อมด้วยอาจาระและโคจรเห็นภยในโทษและมีประมานน้อย สมาทานศึกษาในสิกขาบทปาราความเพียนมีตนมั่นคงไม่คำนึงถึงกายและชีวิตเลยการบริจาคบุตรภรรยาและอุปกรณ์มีทรัพย์เป็นต้นจะเป็นทานบา ร, รมี การบริจาคอวัยวะเป็นฐานะอุปมะรรมีการบริจาคชีวิตของตนเป็นฐานะประมัติธรรมรมีปัะหนึ่งแม้ศีลบา ร, รมีสามอย่างก็มีเหตุดังนี้คือการไม่ก้าวล่วงแม้เหตุทั้งสามอย่างคือมีบุตรภรรยาและสมบัติเป็นต้น แม่คำ ม, มะบรมีก็มีสามอย่างด้วยการตัดความอาลัยในวัตถุสามอย่างเหล่านั้นแล้วออกบวชปัญญาบรมีสามอย่างด้วยการประมวลปัญหาในอุปกรณ์อวัยวะชีวิตและททำการตัดสินประโยชน์มิให้ประโยชน์ของสัตว์ทั้งหลาย นริรยบา ร, รมีสาอย่างด้วยการพยายามบริจาคประเภททางที่กล่ามมาแล้วขันติบา ร, รมีสามอย่างด้วยการกดทนต่อผู้ที่จะทำอันตรายแก่อุป ก, กรณ์อวัยวะและชีวิตเหล่านั้นสัจบา ร, รมีสามอย่างคือการที่ไม่ละสัจจะ เพราะเหตุแห่งอุปกรณ์อัยวะและชีวิตเหล่านั้นอธิษฐานรมีสามอย่าง้วยการอธิษฐานยังไม่หวั่นไหวแม้ถึงคราวที่อุปกรณ์เป็นต้นได้พินาศไปโดยเห็นว่า ม, มีมีธรรมมีเป็นต้นย่อมบริสุทธิ์ด้วยอำนาจอธิษฐานไม่กำเริบนั้น เมตตาบ ร, รมีสามอย่างโดยไม่ละเมตตาในสัตว์ทั้งหลายแม้ผู้เข้าไปทําลายอุปกรณ์เป็นต้นเหล่านั้นอุเบกขาบ ร, รมีสามอย่างด้วยการที่ตนเป็นกลางในสัตว์และสังขารทั้งหลายทั้งที่มิตอุปการะและหวังทําลายเสียหายแก่วัตถุสามอย่างเหล่านั้น พยากรณ์จากพระพุทธเจ้าในอดีตว่าจะได้ตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้าในอนาคตย่อมอยู่ในฐานะอันไม่สมควรดังนี้พระชนผู้สมบูรณ์ด้วยองคุณทั้งปวงผู้เที่ยงต่อพระโพธิญาณตลอดจนสงสารอันมีระยะการยาวนานแม้นักด้วยร้อยโกรธกับจะไม่เกิดในอเวจีมารนรกแม้ในโลกันตนรกก็เช่นกันแม้เมื่อเกิดในทุกติก็จะไม่เกิดเป็น นิชามะตันทิกเปรตขุกิปาสาเปรตกาละกันชิกาศูนไม่เป็นสัตว์โตเล็กๆเมื่อเกิดในมรุษก็ไม่เป็นคนตาบอดมาแต่กําเนิดไม่เป็นคนหูหนวกไม่เป็นคนใบ้ไม่เกิดเป็นสตรีไม่เป็นอุพาโตพยัญนชนะกคือคนสองเพศและไม่เป็นกระเถยมระชาชนผู้เที่ยงต่อพระโพธิยานจะไม่มีจิตใจจิตใจในสิ่งใดผนแล้วจากอนันตริยกรรม เป็นผู้มีโคโจรสะอาดในที่ทั้งปวงไม่ซ่องเศษมิจฉาทิฐิเพราะเห็นผลในการกระทำกรรมแม้อยู่ในสวรรค์ก็ไม่เกิดเป็นอสัญญีสัตว์แม้พรมชันสุทาวาดก็ไม่มีเหตุจะไปเกิดเป็นสัตว์รุษน้อมใจไปในเน่ฆัมมักกดปลืง้งพบน้อยใหญ่ออกเสียประพฤติแต่ประโยชน์แก่โลกมุ่งแต่ลำเพนประมีทุกการเที่ยวไป สร้างสรรพุทธศาสนาและสังคมโดยสนธิชัยทวีโชคสสิล์เป็นผู้จัดทาและบรรยายเทศชุดนี้ข้อมูลได้มาจากหนังสือพระไตรปิฎกเล่มที่เจ็สิบสฉบับมหมามกุตราชาวิทยาลัยและหนังสือคุยกันวันพุทธโดยคณะสหายธรรมเล่มสามหน้าที่สองต้องขอขอบพระคุณมณโอกาสนี้เป็นอย่างสูง หากมีข้อบกพร่องผิดพลาดเป็นประการใดขอผู้รู้ได้โปรดชี้แนะเพื่อพัฒนาปรับปรุงสื่อธรรมะให้มีคุณภาพสืบต่อไปต้องขออนุมโมทนาผู้มีจิตศรัทธาร่วมบริจาคเครื่องอุปกรณ์การบันทึกเสียงดังมีรายนามดังต่อไปนี้ คุณวณิดาอัศวะเลิดลักคุณชยพงศ์คุณพัชรินมุกดาเพชรรัตคุณสริวิพาทละบงคุณจินตนาจองบุญวัฒนาโปรติดตามผลงานสื่อธรรมะในครั้งต่อไปได้ติดต่อสนิชัยทวีโชคทัพสินได้ที่หมายเลขศูนย์สอง เจ็ดส2 0สองสี 20, ่หนึ่งสองศูนย์สองเจ็ดสี่สองสี่หนึ่งสองหรือที่ตู้ปอนอห้าหกเจ็ดพระโขนงกรุงเทพหนึ่งศหนึ่งหนึ่งขอความสุขสวัสดีจงมีแก่ท่านผู้ฟังทุกทุกท่านสวัสดีครับ